การกำหนดรู้นั้นขอให้ดูเฉพาะความยึดเหนี่ยวแน่นที่บังเกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีอยู่อย่าเร่งให้หายไปอย่าจ้องดูด้วยความคิดตั้งใจมากเพียงรับรู้เฉยๆว่าขณะนี้จิตมีราคะเมื่อเฝ้ารู้อยู่ด้วยความไม่มีเร่งไม่เพ่งไม่เผลอในที่สุดระดับของราคะในจิตก็สแสดงความแปรปรวนให้เห็นคือเหลือแต่จิตเปล่าๆเหมือนน้าที่ระเหยจากผาชนะ ย่อมเหลือแต่ความว่างของภาชนะนั้นปรากฏอยู่นี่ก็เป็นขั้นสำคัญมากขอให้กาหนดรู้ในลักษณะความว่างจากราคะเช่นนั้นไปเรื่อยๆกระทั่งแยกแยะได้อย่างชำงานาญว่าขณะมีราคะเป็นอย่างไรขณะราคะดับไปแล้วต่างกันอย่างไรแรกๆอาจจะกาหนดก็ได้ว่าราคะเป็นของมืด ส่วนการปลอดจากราคะเป็นของสว่างหากกหมดรู้ราคาแล้วพบว่านานไปยังไม่เหือดหายจากใจเสียทีนำซ้ำอัทวีตัวแรงขึ้นก็ขอให้สันนิษฐานว่าเรายังมีความกรุ่นคิดคำนึงถึงวัตถุอันเป็นเอ้าล่ออยู่พูดง่ายๆก็คืออย่างส่งออกนอกไม่ได้เข้ามาในสภาพราคะจิตแต่อย่างใดหรือ มองแต่ยังเห็นลักษณะดึงดูดของราคะไม่ชัดก็อาจจะใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเข้าช่วยเหลือให้เกิดความรู้สึกตัวดีขึ้นแล้วจึงมองลักษณะของราคะในจิตใหม่ขอให้ระลึกว่าถ้ามองเห็นอย่างถูกต้องไม่กลุ้นคิดคำนึงถึงวัตถุอันเป็นเป้าล่อราคะจะแสดงความแปลปรวนให้เห็นอย่างแน่นอน คนที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่จิตจะเกลือกกล่วอยู่ด้วยราคาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะในยุคสมัยที่สื่อต่างๆนำเสนอแต่ภาพและเสียงอันอยุ่ว น, นี้ถ้ามองในแง่ดีคือพอมาถึงตรงหมวดของจิตก็จะมีอะไรให้ดูเยอะหากหมั่นฝึกสังเกตสังกาจริงจังก็จะสามารถพบอาการของจิตได้หลายอย่างเช่ลนลักษณะที่จิตฟุ้งเข้าไปจับ ยึดวัตถุการเหนียวแน่นรุนแรงเป็นพิเศษสะท้อนออกด้วยอาการทางกายประเภทเพ่งตาแทบถลนหรือลักษณะจิตหมกมุ่นจดจอ่ออ้อยอิงยึดเยือ้อเรากับวัตถุมีแรงดึงดูดส่งมากระทำกับจิตถ้าเลิกใส่ใจภาษะภายนอกเลิกตามแรงทยานออกไปแล้วก็หันมาพิจารณาเฉพาะราคะ ภายในตัวเอ็นบ่อยเท่าไรก็จะยิ่งเห็นราคาเป็นเพียงภาวะหยาบชัดขึ้นเท่านั้นจิตที่มีราคาสู้จิตไร้าราคาไม่ได้เลยด้วยอาการเปรียบเทียบดังกล่าวในที่สุดพอราคาเริ่มจะเกาะกลุมจิตจะเห็นเหมือนกับผุมแมลงร้ายไอมืดเคลื่อนเข้ามาบดบางแสงสว่างอย่างไรอย่างนั้นและ หากตั้งความสำคัญไว้ในใจหรือละลึกขึ้นได้ในใจว่าราคาคือเหตุแห่งทุกข์ด้วยประการทั้งปวงต้องเสียเงินทองเสียใจเสียความรู้สึกดีๆเสียกำลังงานเสียเวลาในการใช้ชีวิตเพื่อทำนิพพานให้แจ้งที่สุดก็จะเห็นความสำคัญในการไม่หลงวิ่งตามเหยื่อล่อแต่หันมาพิจารณาตัวราคาในจิตโดยความไม่เที่ยงยิ่งเห็นรอยแตกต่างระหว่าง การมีราคะกับการไม่มีราคะบ่อยเท่าไรก็จะยิ่งทําให้จิตเกิดปัญหาแท้จริงในระดับมหากำลังคือไม่ต้องใช้อุบายเช่นพิจารณากายเป็นอาการ32สองแต่ก็สามารถละราคาได้ตั้งแต่เริ่มก่อตัวขึ้นในจิตเรียกว่าชนะกันตั้งแต่อยู่ในมุง้งต่อให้เผชิญสิ่งยั่วยุราคะแรงระดับลามถึงกาย ก็วูบหับวูบดับลงง่ายเหมือนเปล่าเทียนที่ไม่อาจต้านลมปากเราจะรู้สึกว่าวัตถุหรือบุคคลอันเป็นของภายนอกนั้นมีหรือไม่มีก็ได้ขอให้จิตพ้นจากการครอบงำของราคะก็สุขพออยู่แล้ว การกำหนดรู้โทสะจิตลักษณะของโทสะโทสะนั้นเป็นอารมณ์ที่รุนแรงสังเกตง่ายที่สุดสะท้อนชัดออกมาทางกายมากที่สุดเช่นเมื่อบุคคลหรือเหตุการณ์กระตุ้นให้โกรธเราอยากจะทำตาวาวโรดอยากจะกลดาอยากทุบตีอย่างน้อยที่สุดก็มีอาการตึงขมับเพราะว่าคิดอยู่ในเพียนว่าจะทำให้ศัตรูเดือดร้อนใจสาสมกับที่เราโกรธได้อย่างไร จิตที่มีโทสะก็จะมีลักษณะอยากขับใสหรือผลักออกไปทางรูปธรรมก็คืออยากกระแทกให้เกิดความพังหรือเกิดความเจ็บปวดทางนามธรรมาคือพลังอัดกระแทกออกมาจากความคิดในหัวหรือว่ารู้สึกในอกแม้โทสะจะมีลักษณะเหมือนๆกันในแต่ละคนแต่ทว่าพื้นหลังและโครงสร้างของนิสัยมนุษย์เราทําให้ผลที่ตามมาจากโทสะมีอาการต่างกันได้มากเช่น บางคนโกรธแล้วอลวาดวาดงวงฟาดงาอย่างย่ามใจบางคนโกรธแล้วต้องอัดอั้นตนใจไว้อย่างนั้นน้อยคนธรรมะธรรมโมหน่อยอาจจะพิจารณาว่าโกรธไปทำไมทุกใจเปล่าเปล่าแล้วระงับความโกรธลงเีด้วยปัญญาเห็นความไร้าสาระและก็แก่นสารของโทสะนั้น เมื่อเข้าสู่โลกของการปฏิบัติธรรมเริ่มเห็นค่าของการถนอมรักษาจิต ด, ดีเริ่มเฝ้าสังเกตโทสะเสีบ้างอาจพบวิธีโกรธแบบต่างๆของตอนเช่น 1. โกรธแบบไม่รู้ตัวแต่ก็จางไปเองอย่างรวดเร็วเพราะพื้นจิตประกอบด้วยเมตตาหรือปัญญาของโทษของความโกรธอย่างแข็งแรงเป็นทุนข้อสองโกรธแบบไม่รู้ตัว จากนั้นก็พักใหญ่ต่อมารู้สึกตัวว่างโง่ไปแล้วความโกรธจึงค่อยจางลงข้อที่สารู้ตัวเท่าทันขณะโกรธแล้วจางลงอย่างรวดเร็วข้อที่สรู้ตัวเท่าทันขณะโกรธยังกลุนกลุนอยู่ต้องใช้ปัญญาปลงอีกชั้นหนึ่งจะจางลงหรือหายเงียบสนิทข้อที่หมีสติรู้ตัวก่อนโกรธเช่นเพิ่งออกจากสมาธิ เดินจงกลมหรือรู้อิริยาบถอยู่เป็นปกติเลยโกรธเด่นเหมือนภาพลวงชั่วเซียววินาทีแล้วก็หายสนิทเนื่องจากจิตตัดกลับไปสู่ความรู้ตัวอัตโนมัติแล้วนิสัยเคยชินทางจิตข้อที่หกสติมีตัวรู้อยู่ก่อนโกรธเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างชัดเจนซึ่งสามารถ ซอยย่อยออกไปได้ว่าโกรธรูกเดียวแบบไฟไหม้ไฟไหม้ฟางหรือแบบยืดเยื้อเหมือนมีเชื้อไฟเป็นต้นที่แยกแยะอย่างละเอียดเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดการตรวจสอบว่าที่ผ่านมาเราเคยชินกับโทรษะแบบใดยังโกรธแบบฟาดงวงฟาดงาหรือยังโกรธแบบขาดความรู้ตัวก็ยากที่จะใช้โทรศัเป็นเครื่องมือฝึกจิตตานุปัสนาได้ไหว หรือถึงไหวก็ฝืนใจทํานองสามหนก็ขาดความอดทนต้านนิสัยเก่าของตนเองหวนกลับไปยอมตัวผสมรงกับโทสากิหากรู้ตัวว่ายังมีข้อเสียอย่างแรงไม่เกือ้อกูลต่อจิตานุปัสนาก็ต้องฝึกกรรมฐานที่เป็นอริกับโทสักซ์บ้างเช่นการแผ่เมตตาซึ่งจะกล่าวถึงวิธีอย่างละเอียดในบทที่สองถัดไปข้างหน้านี้ หรืออีกอย่างหนึง่งคือใช้กรรมฐานที่ผ่านมาในการช่วยระงับช่วยดึงความรู้สึกตัวให้กลับมาจากข้างนอกเข้ามาอยู่ข้างในเรียกว่าใช้สมถะมาเบียดเบียนโทสะให้อ่อนลงใช่บ้างจึงค่อยเหมาะควรแก่จิตตานุปัสสนในลำดับต่อไปอันหนึ่งขอให้ทราบด้วยว่าถ้าอยู่ในอารมณ์แบบใดมีลักษณะอยากผลักใสก็จัดเข้าข่ายโทสะได้เหมือนกันเช่นความกลัว ความอับอายความเศร้าโศกคลั่งครวญเป็นต้นอีกประการหนึ่งต้องตระหนักคือทุกขเวทนาไม่ใช่โทสะแม้ทุกขเวทนามักนำมาซึ่งความหุดหงิดขัดข้องอันจัดเป็นโทสะก็ตามผู้ภาวนาจนรู้ทันสภาวะธรรมอาศัยทุกทางกายหรืออาศยทุกขทางใจโดยไม่จําเป็นต้องเกิดความหมงุดหงิดขัดเคืองเป็นผลตามมา ถ้าแยกถูกก็จะได้ไม่สงสัยว่าเรากําลังเห็นทุกขเวทนาเกิดดับหรือว่าเห็นโทสะเกิดดับกันแน่วิธีกำหนดรู้พระพุทธองค์ให้แนววิธีรู้คือ เมื่อจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตปราศจากโทสะก็ให้รู้ว่าจิตปราศจากโทสะวิธีกำหนดรู้พระพุทธองค์ให้แน่วแน่ ว, น ว, วิธีรู้ไว้คือเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหากเฝ้าสังเกตที่จิตจะทราบว่าอาการเริ่มแรกของโทสะนั้นเหมือนจิตเต้นแรงเต้นกาอยู่ภายใน แม้ว่าสติวิ่งตามไล่หลังมาก็เหมือนอยู่ห่างๆแม้ตั้งใจไว้อย่างแข็งแรงเพียงใดยิ่งโทสะชนิดก่อความแสบคันในอกได้เป็นเรื่อ้ๆจิตจะพุ่งออกมาข้างนอกเต็มตัวเสมอก่อนที่จะหดกลับมาภายในได้สำเร็จฉะนั้นเมื่อฝึกในระยะแรกควรเริ่มจากความหมุดหยิดหรือขัดเคืองเล็กน้อยประเภทเห็นข้าวของวางอยู่ผิดที่ผิดทาง ต่อโทรศัพท์ไม่ติดหรือว่าเรื่องยุ่มยิ้มอื่นๆที่ให้ผลกระทบกับกายใจของเรานิดเดียวความขัดเคืองจะปรากฏเหมือนมีอะไรเสียดเข้ามาจุกอกหรืออย่างน้อยก็เกิดกระแสปั่นปวนโกลนกระวายเหมือนใครรมควันร้อนๆเมื่ อ, อเกิดโทระแัแผวในระดับที่จิตจะไม่กระโจนออกนอกเต็มตัว ก็อย่าไปรีบระงับโทสะอย่าใช้อุบายวิธีใดๆทั้งสิ้นให้ทำใจเหมือนยืนดูน้ำเดือดค่อยๆเย็นลงเองทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่าน้ำเดือดนั้นเร่งไปมันก็ไม่เยน็นในทันทีอยู่ดีแต่ถ้าเฝ้ามองอยู่เฉยๆก็จะได้สิ่งที่ต้องการก็คือสภาพของน้ำที่เย็นลงควบคู่กับปัญญาเห็นความจริงว่าโทสะ เป็นอนิจจังอย่างหนึ่งสำคัญคือต้องไม่ลืมดูตอนจิตปลอดจากโทสะรู้จิตปราศจากโทสะเปรียบเทียบทันทีกระทั่งแยกแยะได้ชำานาญว่าขณะมีโทสะเป็นอย่างไรขณะที่สดโทสะดับไปแล้วต่างกันอย่างไรแรกๆอาจจะกำหนดได้ว่าโทสะเป็นของร้อนส่วนการปลอดจากโทสะเป็นของเย็นถ้ารู้สึก มวนมวลปนปว น, น, น, นวกวนอยู่ในอกแปลว่าโทสะยังไม่ไปไหนยังหลงเหลือควันคลุกกุนอยู่ดีอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าเรายังคุณคิดคำนึงถึงบุคคลหรือว่าสถานการณ์อันบันดานโทสะขึ้นหรือเปล่าถ้ารู้เฉพาะโทสะในจิตยังถูกต้องโทสะย่อมแสดงอนิจจังออกมาในเวลาไม่ยืดเยอะเกินไปนักประการสาคัญ คือโทสะเป็นของเวียนกลับมาซ้ำเติมได้หลายรอบบางคนอาจรำคาญว่ากำหนดสติรู้อย่างไรก็ไม่หายขาดเสียทีก็ขอให้มองในด้านที่เป็นประโยชน์แทนคือเหตุขัดเคืองเรื่องเดียวทําให้เรามีโอกาสฝึกปลือหลายครั้งขอให้ดูจริงๆเห็นได้ว่าจิตขณะมีกับไม่มีโทสะนั้นต่างกันอย่างไร ครั้งแรกยังไม่เห็นผลครั้งที่สองเริ่มคุ้นว่ามันมาเดียวก็ไปอย่างคราวแรกในครั้งที่สามเริ่มรู้สึกว่าโทสะในเรื่องนั้นไร้สาระสิ้นดีครั้งที่สีเริ่มเห็นโทสะในเรื่องนั้นเป็นของแปลกปลอมที่จอนเข้ามาครั้งที่ห้าและต่ อ, ตอไปยิ่งเห็นลนักษณะเกิดดับชัดขึ้น มองโทรศเป็นเพียงสภาวะธรรมประกอบจิตชั่วคราวไม่มีตัวตนในโทรศัท์มีแต่สภาพโทรศท์ถูกรู้โดยความเป็นอะไรอย่างหนึง่งและปล่อยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการมองความโกรธทั่วไปแตกต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับผู้ที่อาศัยสติรู้ลมหายใจเข้าช่วยก็มักจะสงสัยว่าเมื่อโทรศั์เกิดขึ้นแล้ว ตัดจิตไปจากการหายใจทันทีนั้นถือว่าเป็นจิตตานุปัสสนาได้หรือไม่อันนี้ต้องกล่าวว่าจะรู้รมหายใจหรือจะเอาอารมณ์อื่นมาแทรกแทนอย่างไรไม่สำคัญสำคัญที่เราเห็นสภาวะจิตที่แตกต่างกันระหว่างมีกับไม่มีโทสะหรือเปล่าถ้าเล็งรู้ไม่เห็นสภาวะจิตถูกเป็นอันใช้ได้เหมือนกัน แต่ถ้าดูลมหายใจโดยไม่มีการกำหนดรู้สภาวะจิตไม่มีการเห็นลักษณะที่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยโทสะก็แปลว่ายังเป็นเพียงงานสมถะล้วนช่วยเบียดเบียนให้โทสะตกไปจากจิตเฉยๆการกำหนดรู้โมหะจิตลักษณะของโมหะความหมายของโมหะที่ปรากฏอยู่ในเหตุตุโคชกะ พระอภิธรรมเล่มที่หนึ่งกินในทั้งระดับหยาบเช่นความมือ่อความหลงความมัวหม่นแบบโลกโลกไปจนกระทั่งระดับละเอียดคืออวิชชาความไม่รู้อริยสัตว์ในระดับธรรมะชั้นสูงทีเดียวโมหะเป็นชไหนความไม่รู้ในทุก์ความไม่รู้ในทุกขมัสสุ ข, ขอภัยค่ะความไม่รู้ใน ทุกขะสมุทยัยความไม่รู้ในทุกขะนิโรธความไม่รู้ในทุกขะนิ โ, โรคามิได้ปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตคือเหตุไม่รู้ในเหตุความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคตความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาธทธรรมว่าเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีโมหะเป็นฉนาะน ความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่แทนตลอดความไม่ถือเอาโดยถูกต้องความไม่ยั่งลงโดยรอบคอบความไม่พินิษความไม่พิจารณาการไม่กระทําให้ประจักษ์ความซาปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลง ความลุ่มหลงควา ม, ลมหลงไหลอวิชากิเลสท่วมทับจิตคืออวิชชากิเลสเครื่องผูกสัตว์คืออวิชชากิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคืออวิชชากิเลสกลุ่มรมจิตคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้เรียกว่าโมหะเพื่อให้การปฏิบัติขั้นเริ่มต้นเป็นไปโดยง่าย และก็มีทิศทางชัดเจนขอให้ดูเฉพาะจิตที่มีลักษณะไม่รู้อยู่ในปัจจุบันกล่าวคือเกิดความยินยอมขอภัยค่ะเกิดความคิดย้อนไปในอดีตอย่างไร้จุดหมายหรือคาดหวังไปในอนาคตแบบลมแรงให้ถือแบบโมหะทั้งหมดและแม้จิตจะไม่ติดในระหว่างแห่งอดีตกับอนาคตแต่เผลอมือลอย แบบไม่รู้เรื่องในรู้ราวกระทั่งคิดอะไรก็ไม่ทราบก็เข้าข่ายโมหะอีกเช่นกันหากเริ่มมองเปรียบเทียบได้ระหว่างจิตที่ตื่นกับจิตที่หลับทั้งลืมตาและอาจจะเห็นโมหะปรากฏคล้ายม่านควันที่ซึมซ่านเข้ามาทําให้จิตเสื่อมคุณภาพในการรู้ตามความเป็นจริงต่อให้ตาดูหูฟังก็ไม่เกิดความรับรู้ที่ถูกต้อง และโมหะตัวเดียวก็ทำให้การปฏิบัติสติปัฏฐานสีทั้งหมดเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้คือสภาวะธรรมใดเด่นขึ้นมาแทนที่จะกำหนดรู้สภาวะเด่นนั้นก่อนกลับไปพยายามรู้สภาวะอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นไข้กำลังมึนแทนที่จะรู้ความมึนกลับไปหาความร้อนกายอยากดูความร้อนให้เป็นอนิจจังหรือขณะทำสมาธินั้นหากกาลังฟุ้งแรง แทนที่จะใส่ใจดูแรงแค้นแรงอัดของความฟุ้งในจิตเพื่อพิจารณาสภาวะไม่เที่ยงแต่กลับไปพยายามยึดมั่นลมหายใจก็เท่ากับไปเร่งแรงแค้นให้ยิ่งอึดอัดทรมานกว่าเดิมเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของโมหะไม่เท่าทันสภาวะเด่นที่กำลังปรากฏเหมือนคนถูกหลอกให้ต้องแก้ปัญหาพร้อมกันหลายข้อถ้าไม่รู้ว่าปัญหาใดสาคัญกว่าปัญหาใด เป็นหลักที่ต้องทำให้คลี่คลายก่อนก็จะต้องรมรันฟันตูกับปัญหาอย่างประศจากการลืมเอ่ยดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้เช่นในติกนิปาัตทุติยปัญนาตพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองว่าโมหะย่อมไม่เจริญเมื่อมีการทำไว้ในใจหรือพิจารณาโดยแยบคายเช่นเมื่อเรารู้ตัวว่ากาลังอึดอัดขัดข้อง ก็พิจารณาว่าสิ่งใดกันแน่ที่ทําให้ขัดข้องหรือรู้ตัวว่ากำลังเผลอเมือก็ให้ความใส่ใจในงานเฉพาะหน้าหางานให้จิตมีเครื่องรู้เป็นต้นขอให้ตระหนักด้วยว่าอทุก ข, ขมสุขเวทนาไม่ใช่โมหะแม้ว่าโดยมากอทุก ข, ขมสุขเวทนามักจะนำมาซึ่งความเมื่อลอยเพราะขาดแรงดึงดูดให้สนใจ ผู้ฝึกรู้อทุุขมาสุขเวทนามาอย่างดีก็ย่อมแยกแยะได้ถูกต้องว่ากำลังดูอัุุขมาสุขเวทนาหรือดูโมหะอกกลุ่มจิตกันแน่วิธีกำหนดรู้พระพุทธองค์ให้แนววิธีรู้ไว้คือ เมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะสภาวะทั่วไปของจิตคนเราจะเป็นโมหะอยู่แล้วตอนคิดดูโมหะแล้วสงสัยว่าจะดูตรงไหนนั่นก็เป็นโมหะไปแล้วเรียบร้อยเพราะความลังเลสงสัยนั้นเข้าข่ายความรู้สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าตามเป็นจริงหากเข้าทันสภาวะจิตของตนเองในขณะนั้น จะทราบชัดว่าเต็มไปด้วยหมอกมัวฝ้าฟางหาความแจ่มชัดใดๆไม่ได้เลยหรือหากรู้ตัวว่าพยายามมองให้เห็นว่าจิตมีรูปร่างอย่างไรมีสภาพแบบใดอยู่ในจิตนั่นก็เข้าข่ายโมหะเช่นกันขอให้พิจารณา ว, ว่าลักษณะการกำหนดจิตนั้นนั่นเองเป็นโมหะทั้งแท่งการทำจิตตานุปัสสนาอย่างมีกรอบมีทิศทางชัดเจน ตามนิยามของพระพุทธองค์เท่านั้นที่เป็นหลักประการไม่ให้หลงไปไหนเบื้องต้นของการฝึกรู้โมหะควรสังเกตว่าระหว่างคิดระหว่างพูดและระหว่างการกระทำจิตต่างๆในวิธีในวิถีชีวิตประจำวันเพราะจะมีโมหะมาให้เห็นบ่อยกว่าขณะตั้งใจทำภาวนาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ด้วยการฝึกในชีวิตประจําวันนี้จึงไม่ควรทําเป็น คนที่ว่างงานแม้ไม่มีงานทางกายก็ต้องหางานทางใจให้จิตทำอยู่เรื่อยๆซึ่งงานทางใจยามว่างที่ทำแล้วคุ้มค่าที่สุดก็คือสมถะและวิปสัสสนาแน่นอนเหตุ <He dots S 2> ผลที่ไม่ควรว่างงานก็คือคนว่างงานจะคิดเลื่อนลอยอย่างประศจากขีดจำกัดหาจุดสิ้นสุดที่ขอบฟ้าไหนๆไม่เจอดวงตาเะมือ จากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งตลอดเวลาเมื่อคิดในเรื่องที่ควรคิดคือคิดในหน้าที่การงานเฉพาะหน้าก็จะเห็นลักษณะจิตปรากฏแบบหนึง่งคือมีความเป็นระเบียบมีความจําชัดในเนื้อ ง, งานที่กำลังคิดดังนั้นเมื่อหลุดจากสภาพจําชัดดังกล่าวก็จะเกิดความแตกต่างให้เห็นได้เองพูดให้ง่ายคือ เทียบบ่อยๆระหว่างจิตที่มีงานให้คิดอย่างมีจุดหมายกับจิตที่หลุดจากงานมาตระเวนแบบไร้ปลายทางเมื่อสองดูก็จะรู้แน่แก่ใจว่าแตกต่างกันอย่างไรก็จะตระหนักว่าระหว่างคิดแบบมีงานกับคิดแบบมีโมหะนั้นลักษณะจิตเป็นคนละทิศเป็นคนละมิติกันแท้ๆเมื่อต้องการคุยหรือเจะระจาไปงานกับใครเป็นต่อหน้าหรือว่าทางโทรศัพท์ ก็ตามลองจับจังหวะจะโคในการพูดจาของตัวเองบางประโยคเราพูดอย่างมีข้อมูลประกอบแน่นหนาอุ่นใจแล้วก็เปลี่ยนด้วยความเชื่อมั่นในตนเองจับต้นชนปลายติดต่อตลอด้ายมองเข้ามาก็จะเห็นว่าจิตตื่นรู้แจ่มใสประสจจากหมอกมัวแต่หากตรงกันข้ามพูดแบบขาดข้อมูลพูดแบบให้ผ่านๆไป แบบต้องแต่งเสริมสดๆทีละคำสองคำขายความเชื่อมั่นจับต้นชนปลายไม่ถูกระหว่างชะ ง, งัดกับมักเป็นช่องหวูให้จิตเลื่อนลอยไปหรือถูกลากไปจมอยู่กับความเมือได้เป็นห่วงๆนี้ก็เรียกว่าเป็นการดักดูโมหะจิตผ่านอาการอ้าปากติดขัดเงอะเงะงะงะสามารถเปรียบเทียบ ก, กับจิตก่อนหน้าได้ถนัดแต่ถ้าไม่สามารถรู้ทันเป็นขณะขณะ ก็จะเริ่มสังเกตหลังจากเลิกคุยทีเดียวก็ได้ยิ่งคุยนานแบบไร้จุดหมายก็จะยิ่งเห็นลักษณะหม่นมัวมากขึ้นเมื่อต้องเคลื่อนไหวกระทำจิตต่างๆทางกายให้ดูความต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างมือไม้ระหว่างแขนขาระหว่างตัวกับตัวขออภัยค่ะระหว่างหัวกับตัวลองสังเกตว่าขณะที่อวัยวะต่างๆประสานงานกันอย่างกลมกลืน ไร้ทิฏฐิไร้ความเฉื่อยไร้อาการแก้กังไร้ความหลุดโน่นลืมนี่ให้ต้องแก้ให้ต้องเกาหัวแล้วก็ทำเรื่องซ้าไปซ้ำมาขณะนั้นจิตจะมีความร่าเริงสอดคล้องรับกับอิริยาทางกายตรงกันข้ามเมื่อต้องขยับกายแต่จิตไม่รู้อาการทางกายเอาเลยหากปฏิบัติสติปัฏฐานสี่มาจนเห็นความเกิดดับ และเกิดสภาวะอย่างรู้แบบประจักษ์ชัดว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนก็อาจจะเทียบดูจิตที่มีสติแบบยึดมั่นกับจิตที่มีสติรู้ปล่อยวางลักษณะที่จิตยึดมั่นจะเหมือนความแจ่มใสของน้ำที่มีเงามืดทาบอยู่หรือมีหมอกมัวปกคลุมทุบบ้างเบาบ้างแต่ลักษณะจิตที่ปราศจากความยึดมั่นในกายใจ จะเหมือนความโปร่งโล่งของอากาศที่ประศจากยองใ ย, ยบดบังเมื่อเห็นบ่อยจนชินก็จะแยกแยะได้อีกว่าคุณภาพของความโปร่งโล่งดังกล่าวมีความแตกต่างกันเป็นชั้นๆกล่าวคือถ้าจิตไร้โมหะไร้ความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายใจเป็นตัวตนชั่วครู่เหมือนกับเมฆหมอกที่ถูกเป่าไปให้เบาบางลงอย่างมีขอบเขตคับแคบ แต่ถ้าจิตไรโมหะได้เนื่อ น, นานตามกำลังที่สะสมจากการอบรมมาดีทั้งส่วนสมถะและวิปัสสนาแล้วก็จะเหมือนทัศนวิสัยโดยรอบกระจ่างสายทั่วตลอดไม่มีขีดจากัดการเทียบระหว่างจิตกับโมหะกับจิตที่ไม่มีโมหะบ่อยๆนั้นเป็นทางลั์ที่สุดที่จะทำให้ประจักษ์ว่าจิตไม่ใช่ตัวตนสภาพจิตจะหยาบหรือประณีตไปได้เรื่อยๆแปลพันไปตามความทึบ บางของโมหะและจะย้อนไปรู้ว่าจิตเป็นกระจกใสนั้นไม่ใกล้เคียงกับความจริงสักเท่าใดเพราะกระจกนั้นเป็นวัตถุที่กำหนดรู้ได้ด้วยตาเนื้ออันยากถ้าว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ถึงเขตความปราณีระดับหนึ่งก็จะต้องรู้กำหนดด้วยจิตเองเท่านั้นหาคำเปรียบเทียใดๆมาอธิบายหรือพรรณนาไม่ได้สรุปคือ แนวการรู้จิตที่มีโมหะนั้นแรกเริ่มอาจจะเปรียบเทียบเพียงความรู้สึกที่หมนกับความรู้สึกแจ่มชัดในทางโลกเมื่อเห็นชำนาญแล้วจึงขยับขึ้นไปดูสภาวะโง่หลงยึดมั่นกับภาวะปัญญารู้แจ้งปล่อยวางในภายหลัง